สุขของครืหัดคือสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมีมีสี่อย่าง 1. อัติสุขสุขเกิดจากความมีทรัพย์ที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรของตนและโดยชอบธรรม 2. องโคขสุขคือสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น 3. อานัญญสุขสาสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้สี่อนัวัชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษคือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุดจริตไม่บกพร่องเสียหายใครๆติเตียนไม่ได้ทางทางกายทางวาจาและทางใจ